มาตราตวงนี้ก็ออกมาจากมาตราวัดนั่นเองมาตราวัดใช้แต่เฉพาะด้านยาวกับด้านกว้างมาตราตวงใช้ด้านตั้งหรือด้านสูงขึ้นอีกมาตรานี้สำหรับใช้กะประมาณของเช่นน้ำหรือข้าวเข้าใจว่าเดิมทีคงใช้กระโหลกมะพร้าวเป็นหลักในวิธีกระจายออก คงเอากำมือหรือฝายมือเป็นหลักมีรูปดังต่อไปนี้สี่มุติคือกำมือเป็นหนึ่งกุตวะคือฝามือหนึ่งกุตวะเป็นหนึ่งปัตถะคือกอบสองปัตถะเป็นหนึ่งนาลีคือทานานสี่นาลีเป็นหนึ่งอัลหก มาตรานี้ฟันเฝือมากปัตถะกับนาลีเป็นของที่เข้าใจยากในประกรทั้งหลายเข้าใจเป็นอันเดียวกันไปเสียแต่ในคำพีวิพังกล่าวถึงประมาณบาทว่าบาทขนาดเล็กจุกข้าสุกแห่งข้าวสารหนึ่งปัตถะบาทขนาดกลางจุกข้าสุกแห่งข้าวสารนาลีหนึ่งบาทขนาดใหญ่ จุเข้าสุกแห่งเข้าสารกึ่งลาหกนี้แปลว่าทวีคูณตามในนี้ปัตถากับนาลีต้องเป็นของต่างกันข้าพเจ้าจึงถือเอาปัตถาหนึ่งซึ่งว่าสี่กุณฑวะในคำพีอธิธานนับปฏีปิกาเป็นนาลีหนึ่งแบ่งเครื่องนาลีหรือสองกุณฑวะเป็นปัตถาหนึ่งเมื่อจัดเท่านี้ ก็เข้ากันได้หมดมาตราตัวเหนืออลหกขึ้นไปยังมีอีกแต่ออกชื่อในบาลีพระวินัยเพียงเท่านี้